มาฟังธรรมกันด้ยยดน อ, อยตัเต็มสะไรดีเนาะขอคนใหา่พอใจยุทุกคนด้ยอยญาติโยมไอ้ส่างสติสภาชัญญะเธอได้เป็นที่เพิงมันปลูกลลมโพล่มไส้ให้ชีวิตของพวกเรา การนี้ก็ล่ำมาแล้ววันคืนก็ผ่านมาจนถึงวันเพ็ญเดือนสิบแล้วมุนเข้ากย า, ายศาสตร์ตามจารีตประเพณีโลกมันหมุนมาเราก็มากำหนดสมมติบัญญัติขึ้นว่าเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเราก็บัญญัติลงไว้อีก วันดีวันไายอะไรต่างๆวันอทิตวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสศุกร์เสาร์บัญญัติลงไปเพื่อให้มันเป็นสาวนในโลกเพื่อจะได้ใช้กันาบางประเทศก็เป็นฤดูประเทศไทยเรามีสามฤดู ฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวแต่ภาคใต้เนี่ยเขามีสองฤดูว่าฝนแดดแดดสีแตฤดูหนาวก็ไม่มีบางประเทศก็มีฤดูเดียวฤดูหนาวแต่ยางเซนลเนี่ยเามีเาไม่เรียกว่าฤดูเขาว่าฤดูใบไม้ผลิตั้งแต่เดือนมิถุนาอ่า ซพิ่มสภามีตัวนากอแล้วกะดาเรยว่าฤดูไปไม้คลิฤดูร้อนเขาม า, างวันก็เป็นรูดูหนาวแ้วเขาเห็นแสงแดดเขาก็พากันอาบแดด ก, กันประเทศสหรัฐเขาไม่มีเขาไม่มีร่มถ้าใครกลางร่มอยู่ที่ประเทศนั้นแสดงว่า ไม่ดีไม่ชอบเขาต้องอาบแดดทางร่มตากแดดแม่เนี่ยแต่ทางล่มตากฝนให้เราก็อย่าให้เวลามันกืนกินเร า, าเรามาคืนกินเวลาโดยการเจริญสติถ้าเราลงเวลาใดก็แสดงว่าเวลาคืนกินเราไปแล้วไม่ใช่เวลาให้เกิดประโยชน์ เราจึงต้องฝึกฝนตนเองอาศัยเวลาเพื่อสร้างความเจริญในศิลในธรรมเหมือนเปลือกเหมือนมันเหมือนต้นไม้เปือกมันเวลาในเทไหลมันก็สร้างหัวของมันให่ใหญ่ให้โตต้นไม้มันก็สร้างลำต้นของมันใหญ่โตเจริญขึ้นไป เออเจนมมนก็อร่อยก็ได้ราคาหัวโตเท่าไร่ก็ไม่น้ำหนักเราก็ได้กินได้จานวนมากขึ้นเพิ่มขึ้นชีวิตของเราที่จะเกิดคุณภาพเพราะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์แก่โลกประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาอย่าให้แก่เพราะอยู่นาน ให้แจกเพราะมีเหนในทานในธรรมะแจกของสองตะเกียงให้ลูกให้หลานปดิเกิดสุดท้ายภายหลังวางเอาไว้วางคุณความดีที่งเอาไว้ให้ลูกให้หลานเห็น่องเห็นรอยให้กุงามความดีนนขอให้เป็น อ่ดุดหมายปลายทางของพวกเราในเวลานี้วางชีวิตก็ทํทำความดีเวลานี้วางชีวิตก็ทําความชั่วบางทีความชั่วความดีไม่สมดุลกันเราก็อยู่ลาบากเราจึงเพียรพยายามที่จะทำความดีเริอสติให้หัดกายหัดจิตใจของตน ให้ตั้งอยู่ในความชอบจนขึ่งจนแรงได้จนเป็นที่อาศัยได้เวลาใดเวลาใดก็อาศัยความรู้สึกความระลึกได้อาศัยสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาอันเป็นศิลเป็นธรรมทำให้อุ่นอกอุ่นใจเย็ยนอกเย็ยนใจไม่พัดไม่พาไปทางไหนถ้าไม่มีหลักมันก็โยน ชีวิตเนี่อาภัพเวลาใดๆก็หมกมุ่นคุนคิดสุขสุขสขทุกทุ ก, ทกนั่นก็แสดงว่าขาดที่พึ่งเราจะมาสร้างสร้างสติให้เกิดเป็นศิลเป็นธรรมเกิดเป็นมากเป็นผลนั่นแหละเป็นหมายปลายทางของพวกเราเพื่อมาเพื่อผลต่อความหลุดพ้น แล้วเราก็สร้างได้โดยเฉพาะชีวิตของเราไม่มีสายตรงสายตรงต่อชีวิตคืออย่างนี้แหละคือความรู้สึกความรื่นเริงได้แต่เราไปหลงเมื่อใดก็เนินชาโคตรโค้งไปเสียเวลาไม่มีประโยชน์เอียงไปทุกข์ไปโกรธไปอิจฉาไปเบียดเบียนกันไม่มีประโยชน์ <c oughs> มันไม่ใช่สายตรงอ้อมแแมไปตรวจทิศทั่ท ว, ท, วทางมันก็ไม่ดีเสียเวลาเปล่าเราจึงมหาหัดใชา้ชีวิตสายตรงตรง มีความรู้สึกตัวต่อกายมีความรู้สึกตัวต่อจิตใจตกายมีความรู้สึกก่อนพูดก่อนทาก่อนคิดนี่คือความชอบอยู่ตรงนี้ถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ชอบแล้วอาจะเป็นพิษเป็นไปเป็นโทษต่อตัวเองและคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นถ้าเรามีสายตรงอย่างนี้นะมันก็นำเราไปความตรงก็นาต่อไปตามหน้าที่นอกจาก โดยตรงต่ออย่างนี้แล้วเราก็เอาคนอื่นด้วยพ่อแม่ไม่ลูกไม่เต้าก็เอาลูกเอาเต้าด้วยพันยาสามีก็อาศัยกันช่วยกันพี่น้องอาศัยกันเพื่อนบ้านอาศัยกันอะไร้ส่ตรงอะไรก็อาศัยกันได้หอยน้องคองเบิงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอาศัยเราด้วยก็เกิดกลายเป็นผลดีไปทั้งหมดต่อเป็นประโยชน์ต่อทุกสัสิ่ง การปฏิบัติทานะทํำให้เกิดเตื้อประโยชน์ต่อกันแล้วกันถ้าเราใช่เป็นถ้าเราใช้ไม่เป็นก็ไม่แต่ดเป็นภาระเป็นปัญหาต่อกันแล้วกันจึงมีหลัก <c oughs> ที่ชัดเจนในหลักของชีวิตเรานี่ยชัดเจนต่อมรรคต่อผลเพื่อมรรคเพื่อผลจริงๆ เรียกว่าบอกวัดปฏิบัติรเรียกว่าศาสตร์นาเรียกว่าศาสนาเป็นคู่ชีวิตของเราปฏิเสธไม่ได้ประวัติศาสตร์นะในปฏิเสธไม่ได้อะไรๆมันก็มียนศาสนาไม่แต่ร่างกายของเรานะสิ่งไหนที่เป็นที่อาศัยของร่างกายให้อยู่โลดเรียกว่าศาสนาก็ได้ ควานุ่งพวาหม่มอาหารการกินอันนี้เป็นศาสนาของกายของลู่ต้องอาศัยที่อยู่อาศัยว่าไงเราพึ่งอาศัยเหล่านี้พวกเราก็พ้นจากทุกจากใครใจของเราก็วนกันในที่อาศัยมีที่พึ่งพึ่งศีลพึ่งธรรมพึ่งบุญพึ่งกุศลพึ่งมรรคผลในทาน ก็้นภัยได้เราจึงมีหลักแบบนี้กันใครๆจะปฏิเสธไม่ได้ถ้าใครปฏิเสธศาสนาก็เรียกว่าปฏิเสธตัวเองทำให้ตัวเองอาภาพอับจนไม่ดูไม่แลไม่ดูแลตัวเองปล่อยวะละเลย ให้ดูแลตัวเองแล้วไม่พอยังทําให้ตัวเองไปเบียบเบียนสิดอื่นว่าตัวอืนอ่นเรามีความโกรธความโกรธของเราก็ไปกระทบกระเทือนกับค น, นอื่นในทางที่ทำให้เกิด เ, เป็นทุกข์เป็นโทษเรามีความหลงความหลงของเราก็ไปกระทบกระเทือนให้คนอื่ น, น, น, น, ม, นมีความหลงไปด้วยเราจะมารับผิดชอบมารับผิดชอบให้เกิดความ ลูกเกิดคุณงามความดีเกิดใจดีใจเย็นแล้ก็มีผลกระทบกระเทือนไปกับสิ่งอื่นว่ตถุอื่นไปด้วย <c oughs> อย่างนี้จึงให้กระตือรือล้น <c oughs> เพื่อการนี้ <c oughs> เป็นกรณีพิเศษแม่จะอยูดฐานะแบบไหนก็ตามใส่ใจที่จะลู้ถึกระลึกได้ให้มัน เป็นหลักเป็นฐานพะเา่าความรู้สึกความรลึกได้คนความดีศีลธรรมเนี่ยมันมีทั้งพบนี่และพบหน้าเราพิสูจน์ได้เลยเรายกมาสร้างจังหวะสร้างความรู้สึกตัวมันก็เป็นความรู้สึกตัวที่เราจะต้องอาศัยเป็นผลได้ทันที ความรู้สึกมีศีลมีสมาธิก็เป็นผลที่เราจะต้องอาศัยได้ทันทีใจดีก็อาศัยได้ทันทีใจเย็นก็อาศัยได้ทันทีม่นเคยว่าเลื่อนเลื่อนลอยลอยแต่มากเป็นผลความชอบกีวิตของเราที่มันไม่ผโลผนังพาให้เราปล่อยพาให้เราหยุดพาให้เราเย็น ความหยุดความเย็นความปล่อยความวางความรู้สึกตัวสะดวกทำให้ชีวิตสะดวกได้รับความสะดวกแต่ถ้าความหลงก็ได้รับความยุ่งเหยิงสับสนอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะอาศัยการโฆษณาอาศัยการ สิ่งแวดล้อมต่างๆโดยที่เราไม่สร้างขึ้นมามันก็ช้าไม่ทันเวลาเราจึงพยาพยามที่จะสร้างขึ้นมาหลักมันก็มีอยู่แล้วในหลักของการปฏิบัติใจมันก็มีอยู่แล้วบางทีเราจะจะไม่มีวัดไม่ว่หาไม่มีพระสงฆ์นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่ง สามารถที่จะมีศีลได้ทุกโอกาสทุกเวลาด้วยการเจตนาเจตนาหังนที่โวสีหลังวัามิพระพุทธเจ้ากล่าวศีลว่าคือเจตนามันสะดวกไม่เหมือนทำอย่างอื่นถ้าทำอย่างอื่นมันต้องมีส่วนอื่นที่หาจากนอกตัวไป การเจตนาที่จะละความทั่วการเจตนาที่จะทำความดีการเจตนาที่จะมีสติเนี่ยไม่มีการไม่มีเวลาเลยอย่างชาดกที่กล่าวไว้ว่าพ่อค้าบา น, นิด <c oughs> ลงเรือสมเผาเรือสาเผาแตกตางมหาสมุทรคนทั้งหลายก็ล่มตายไป ด้วยความหลงความกลัวแต่คนวางคนเจตนาจะมีศีลในกลางมหาสมุทรมีศีลทำให้รอดได้นี่ใช่ไหมมีศีลนขนาะอยู่ในกลางมหาสมุทรเพราะเจตนาอาศัยเจตนาที่จะมีศีลไม่หวั่นไหวกับเสิ่งใดในที่สุด พ, พบภุม่มก็ไปต่างกัน ยงว่าอยาให้จนเรื่องนี้เถอพวกเราอยู่ที่ไหนก็ตามอย่าให้ขาดแคลนบุญอย่าให้ขาดแคลนกุศลสมบัติของใจก็คือใจดีดบุญนี่แหละความเป็นบุญประดับไว้ที่กายที่ใจกายทำดีใจทิ่ ด, ดีว่าจะพูดดีหัดเอาไว้ให้มันจะได้จำนานในทางนี้ อย่าให้มันไปทางชั่วผู้ชั่วธรรมชั่วชีวชั่วมันเป็นคติมันเป็นภพภูมิที่ทุกข์มันเป็นทุกข์ไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวนี้มันทุกข์ไปเรื่อยๆความทุกข์ก็มากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นมหาเวจีขึ้นขึ้นไม่ได้ฟื้นไม่ได้ถ้าตกถึงมหาเวกีเนี่ยแต่โลกถือฟื้นตัวไม่ได้ มันก็จำลงไปที่สุดช่วยไม่ได้นะถ้าเราไม่ฝึกนเราจึงฝึกเอาไว้จะตือนหรือล้นเวลาใดที่เราได้ยกมือสร้างจังหวะเวลาใดที่เราทำกุนามความดีเนี่ยม <c oughs> ันเป็นศักดิ์สิของชีวิตรเราคอ ป, ปฏิบัติทำได้สร้างสติได้เดินตามร้อย พระพุทธเจ้าได้มีเชนได้สมาทานเชนตามกำลังของตนของตนเต้นคำสมาทานเชนเนี่ยท้าพระเจ้ามีเจตนางดเว้นจากการฆ่าโอ้มันลึกซึ่งลึกซึ่งมากเหมือนกับว่าเสียงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยวันไว้ไปเลยนะมองโดเยเชิงๆเนี่ยถ้าเราใจ ใส่แสดงออกทางวาคาจ่าแสดงออกทางใจแสดงออกทางกายพระพเจ้ามีเจตนางดเว้นจากการฆ่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพระพเจ้ามีเจตนางดเว้นจากการการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของข อ, งของไม่ได้ให้สาธุมันโูมใจไม่มีวาจาใดที่โูมใจเท่ากับวาจาที่แสดงออกจากการมีสิ่ง ถ้าพเจ้ามีเจตนาโคดเว้นจากการกระทำอันไม่ใช่ธมวิจันต์ความบริสุทธิ์ธมวิจันต์คือความบริสุทธิ์สิงไหนที่ไม่มีความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจเราจะไม่ทำถ้าพระเจ้ามีเจตนาโคดเว้นจากการพูดไม่จริงโอ้ของพูดของเราเนี่ยทำให้เกิดศึกสงครามก็ได้ทําให้เป็นบาปเป็นบุญทํำให้เสียเงินเสียทอง ทำให้คนรักคนชังทำให้ได้ทำให้เขาฆ่าก็ได้แต่เราตัดเข็นใจเจตนาอย่างนี้ข้าพเจ้ามีเจตนาค้เว้นจากการพูดไม่เริงอันไพเลาะที่สุดถ้ามม่จะข้าพเจ้ามีเจตนาค้นเว้นจากการลื่มสุราเมลัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทอะไรที่เป็นความประมาทเจตนาแล้วตั้งไว้แล้วกับ สู่ความไม่ประมาททันใดกับสู่ความไม่เบียดเบียนทันใดพระเจ้าไาม่เจตนาเพเวน้นจากการบริโภคอาหารในเวลาพิการก็ตัดไปแล้วตัดบ่วงตัดห่วงตัดพาละออกไปเลานี้วัดบ่าวสุกโตก็มีคนอดอาหารหลายคนแลน้วในกระจาดตุ้มอดอาหารอาทิตย์กว่าๆแล้วไม่กินอะไรอะไรอืม นั่งสบายไม่ใช่เฉพาะเวลาวิการคือตอนเที่ยงจนถึงวันใหม่อะไรไม่กินเฉยเลยไม่ทานอะไรเฉยนะโอเคลุยๆ ล, ลองดูชั่งหน่อยคืออย่าเจอะเยอะ แ, กแกเกินไปอะไรก็ขี้ขาดขี้กลัวไม่ไหวกระเด็นหน่อยก็กลัวรู้จะกินยังไงไม่รู้จะนอนยังไง เราจะอยยังไงอ่อนแอ่ลุยสน่อยไปลุยๆมันเข้มแข็งนะมันฝ่าเท้าของเราเนะ่ยหอยมันไม่ต้องสอนลองลองเท่าลุยเลสิมันด้านนะมันก็ปรับตัวของมันด้านไปเลยเหยียบน้าไม่เจ็บเลยอ่ะมันก็เป็นยังใจของเราเนี่นะแต่ว่ามันไม่ใช่ด้านเหมือนฝ่าเท้านะมันนิ่ม นิ่มนวลใจเน่นิ่มจนถึงกับโบราณ ถ, าาถ้าแข็งก็แข็งเหมือนเพชรถ้าอ่อนนิ่มก็เหมือนไหมเไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยเหมาะใจมันเหมาะแบบนั้นคนสมบัติของ จ, จิตใจถ้าแข็งก็แข็งเหมือนเพชรแต่เน่ถ้าอ่อนก็อ่อนเหมือนไหมไม่ใช่อ่อนแอถ้าฝึกหัดใครได้พึ่งได้ ถ้าเราไม่ฝึกสายมก็พึ่งไม่ได้คมร้อยคมดีนะแล้วหลักของการปฏิบัติมันก็มีทางมีทางไปทางเดินของจิตของใจมันก็ผ่านมันก็ผ่านโน่นผ่านนี้เหมันกับทางเดินของกายนี่แหละเราเดินทางมาจากภาคใต้หาจใจผ่า น, จ, น, น, านจังหวัดนั่นผ่านจังหวัดนี้ จนมาถึงวัดป่าสุโกโตเราเดินทางจากกรุงเทพผ่านโน่นผ่านนี้เมื่อมันผ่านความผ่านที่มันผ่านบ้านนั่นบ้านนี่เหมือนกับผลของการเดินทางจนถึงจุดหมายปลายทางในเดินทางทางกายทางแผ่นดินทางโลกทางอากาศก็ตางแต่การเดินทางทางจิตใจเนี่ยมันก็ผ่าน ก้้วแรกก็ผ่านแล้วความหลงผ่านความหลงความหลงเป็นทางผ่านของความรู้สึกตัวถ้าผ่านความหลงหน่ยมันเกิดอะไรขึ้นอันให้สงของความไม่หลงไม่มากมาย่างตาทางหูจมูกเลี้ยกายใจโลูกรถกล่นเสียงทำให้ไม่หลงมันก็ผ่านไปปลอดภัยมากแต่ว่าปลอดภัยยังไห ม, มากปลอดภัยได้แล้ว โล่มากโล่มากโลก่ผ่านความหลงความรู้มันก็มีความโล่ไม่ใช่ความรล้เกีย่ยวกับกายความรล้กอกู่กับใจความรล้กอกู่กับสิ่งต่างๆอะไรก็ตามเกิดความูล่สิบตัวผ่านได้หลายอย่างได้หลักได้ฐานของการผ่านผ่านทุกผ่านโกรธไปโ น, น่น ถึงเวลาผ่านความโกรธผ่านความยากผ่านความง่ายผ่านความสุขผ่านความทุกข์ผ่านความหลงผ่านความรู้ทั้งหมดที่เราค่องติดเนี่คือเราไม่ผ่านมันสุขก็เราไม่ผ่านม่นติดสุขมันทุกข์ก็เราไม่ผ่านติดทุกข์ผู้เดินทางของการเจริญสติมันผ่านหมดแล้วหมดเนี่ยนะนะ ทำไมมันจึงผ่านเพราะมันเห็นมันเห็นจริงๆริเห็นผิดก็เห็นจริงๆริงเห็นถูกก็เห็นจริงๆริงเห็นทุกข์ก็เห็นจริงๆเห็นสุขก็เห็นจริงๆริงเห็นกิเลสตัณหาก็เห็นจริงๆเห็นความโลภความโกรธความหลงก็เห็นจริงๆริงสำหรับผู้เดินทางสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมมันเห็นก็เพื่อผ่านคำว่าเห็นนี่คือผ่านนะ ถ้าไม่เห็นไม่ได้ผานอะไรการเจริญสติจะเกิดภาวะการเห็นมากมายที่เกิดขึ้นกับกายสัจใจของเราเห็นทุกเห็นความร้อนความหนาวเห็นความปวดความเมื่อยเห็นอะไรทุกอย่างทางกายทางใจเหมือนกับสังทองสีโหัศิลศิลช้สีโหั ว, ส, ส, ส, หวสังทองนั่น ตามอาสมมติฐานตามเอาสมาตามติมาโชคยากลักขาดไปไปถึงไหนหล่ะพ่อเปรมเส้นเส้ชัชชไปถึงไหนบ้างผ่านแม่น้ำกัดเหล็กกัดทองแม่น้ำอะไรมันกัดเหล็กเอาเม็ดหย่อนลงไปก็กัดขาดไปเลยเอาทองหย่อนลงไปก็ขาดผ่าน สัางซ่อนหน้าป่าซ่อนเงียงไม่ได้หน้าสัางเงียงป่าจะไปจังได้พอเพิมไปประเดี๋ยวกับทิทมกับแท่งเอาผ่านแดนงูช่วงไปประด้๋ยวงู่วงิกัดเอางานมาพอเพมไม่ได้ฟังหรอเรื่องสวรรค์ทาเสียงสังท่องสิยงหัวเส้นใช่ตามเอาขนึานมาไปถึงตัวสวรรค์ทาแล้ว เอายากเอากับก็เอายากสุวรทานั่นก็อาไลอาวอกับยักษ์กุมันยักษ์กุมันไม่อยู่สุวรทาอยู่ในถ้ำโน่ทนทำอย่างไรก็เป็นแต่มาได้หลวงพ่อก็ได้ <c oughs> ไปตามแล้วก็ยังไม่กลับเลยสุวรทายังรอให้ยักษ์กลับมาก่อนรอให้ยักษ์กลับมาก่อนจนบังคับบังคับออกจากถ้ามาแล้ว สวรธายังกลับเคลื่นอนเบรกอยู่กลับไปหาถ้ำไปบอกยักษ์ก่อนเดี๋ยวยักษ์กลับมาแล้วแสงทองเทหเส้นชัยก็อนุญาตให้กลับไปตามไปเอาเข้ามาไปรู้จักกี่กี่เที่ยวหกเที่ยวเกตเที่ยวตั้งแต่เอาออกจากถ้ำได้ก็ยังกลับไปอยู่ในที่สุดก็ใช่ความเด็ดขาดเรียกว่ามาลายมาลายเด็ดขาด จนสังเกตตัดคอไปไม่ไปหรอเอาตัดใจตัดคอขาดเที่งไว้นี่ยเลเอาแต่เอาแต่หัวไปให้พระพระอะไรจิตติราชนะเจ้าจิตติาทตัดใช้ความะะะนะใช่ไหมแม่เพียแต่อะไรเอาเาจะหัวไปฮะเพราะ ตา ม, มาเอาสวันทาถ้าไม่ได้ไว้ทั้งหมดเอาแตงโมไปเล้วสุวันทาจึงยอมก็เหมือนกันนั่นแหละมันอะไรกับอะไรชีวิตเราไปได้แล้วก็ยังกลับไปกลับไปยินดียินร้ายกลับไปรักไปชัง้งกลับไปสศกไปทุกข์กลับไปโกรธกลับไปอะไรอาวอมกับเพ่้นต่างๆต้องเด็ดขาดการเจริญสตินี่มันผ่า น, ผ, านผ่านพบผ่านภูมิต่างๆ ถ้าจะพูดแล้วเห็นพบเห็นภูมิก็จะเห็นเปรตก็เห็นเห็นนรกก็เห็นสัตว์ทะเลาช้านก็เห็นอสุรกายก็เห็นอ่ามันมีอยู่ในภพภูมิที่เราเดินผ่านไปในทางเดินของสติจะลุยไปตรงนี้แล้วเหยียบย่ำความโง่หลงงมงายเหยียบย่ำความโกรธความโลภความหลงให้มันแหลกไปเลยเหมือนกองทัพทศกัณฑ์ แลกไปเลยนะเรียกว่าทำมาจับเป้งไปตรงไหนแลกไปเลยมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีสติทําไมเราจะไม่รู้พอมันเป็นทางผ่านผ่านอย่างนี้แหละปฏิบัติธรรมเห็นไหมเห็นแดนโง่ช่วงบอสมาจากแดนโง่ช่วงบะล่ะฮะตัเต็มแดนโง่ช่วงมาจากวะ แรงง่วงเช้าเคยง่วงเหงาหันนอนนี่แหละความง่วงเหงาหันอนเวลาจเจริญสติปั๊บลงไปจะเหงาหันง่วงง่วงเฉลยมันเฉลยจะนอ น, ม, อ ม, อ น, อนมันใจจะขาดบางคนจนลุบไปหามุดหานอนมันง่วงเช้ามันตอดต่อนอนยาวไปเลยตายตรงนั้นแลไปไม่ได้เลยเพนั้นถ้ามีสติ เห็นซับขึ้นมาโอ้กลางคืนเราก็นอนแล้วเวลานี้ไม่ใช่เวลานอนเวลานี้มาเจริญสติกันยกมือพึบพึ๊บขึ้นมาแต่าวัดขีนใจถ้าขีนใจเอามาอยู่มันจะมั่งอยู่เรียกหาแสงทองเี่ยเฉียงทองเอ้ยมาช่วยหนะ่อยเด้อสิเฉียงทองเลสมาธิมั่นขึ้นมายืดเนื้อ ย, ยืดตัวมองท้องฟ้ามองใบไม้มอ ง, ามาม อ, งอากาศมองเทศมองทั้สมาธิมั่นใจ ไม่ไม่ไหวเสียงทองก็ช่วยไม่ไหวสังทองก็ช่วยม่ไหวต้องเอาสีโผสีหโผคือปัญญาลุกขึ้นอ่ามั่ง่องแบบนี้ลุกขึ้ น, น, น, นเดินอาบน้าล้างหน้าอ่อาอะไรต่างๆไปมีปัญญาอาศัยปัญญาสุดท้ายคือปัญญาหดมาจะไปในสติอย่างเดียวก็สู้ไม่ได้เหมือนกันต้องมีสมาธิมั่นคงหนักแน่นเข้าไปมันจะวันจะไวยืนยัด มันจะไม่ไหวจริงลุกไม่ปัญญาอุบายอันอื่นสร้างขึ้นมาแต่ว่าพอสมควรการที่จะเดินไปถึงมากถึงผลต้องลุยๆสักหน่อยเดิไปอ่อนแอมันก็ผ่านมากันไม่มีอะไรที่จะวิเศษเท่ากับการชนะตัวเองตัวเองมันก็มีสิ่งที่ทำให้เราชนะมากมายหลายอย่าง เรื่องของกายก็มีเยอะเรื่องของเวทนาเรื่องของความคิดเรื่องของธรรมที่มันจะเป็นอาสาทะเป็นสาทะที่มันจะเกิดขึ้นทําให้เราพอใจทำไมเราหลงทำไ้เราไม่พอใจเกิดขึ้นอ่ะอ่ะเราก็เห็นเห็นเราก็เข้มแข็งเลยไปไม่สติเรื่อยไปสร้างสติมันจะทําให้เราเกิดสติเรื่อยไป สติมันก็จะเข้มแข็งในสิ่งที่มันมีปรากฏการณปรากฏการต่างๆทำไมเรามีสติเข้มแข็งเลยไปพูดที่เดินทางแต่ถ้าบางคนเนี่ยปรับความรู้สึกไม่เป็นความรู้สึกนี่ก็จะอ่อนแอไปเลยมันต้องเข้มแข็งในโอกาสที่เข้มแข็งถ้าไม่เช่นนั้นแสดงว่าไม่ได้สุดตนเลยต้องไหนมันจะอ่อนแอต้องไหนมันจะหลงเข้มแข็งตรงนั้นสติต้องเป็นแบบนั้น ต้องมีเทคนิคให้กับตัวเองอย่าทอดทอ่องทอดทิ้งอย่าทอดทิ้งการอย่าทอดทิ้งงานควรที่จะเข้มแข็งควรที่จะปรับตัวในสภาพแบบไหนกับตัวเราอย่างไรเราก็พยายามไล่บทเรียนจากตัวเราไปเลยถ้าสอนตัวเรานะ่มันมีช่องเม่ตทางที่จะทำให้ได้บทเรียนเยอะแยะ เลยเลยทั้งเขาจะเป็นจะตายทั้งเขาจะอาอภัพปับจนทั้งเขาจะล่ายากลำบากมันกลายเป็นความชำเน็กชานานเป็นศินลปะในการใช้ชีวิตนะมีมีสิ่งที่ทำให้เราพึกผนเยอะแยะการเจริญสเสด็จไม่ได้อยู่นิ่งๆหรอกถ้าผู้เจริญสเสด็ไม่มีโอกาสพึกผนตนเองหลายฉากหลายมุม แต่ว่าฝึกได้ทุกฉากแสดงได้ทุกฉากนั่งกับพระเอกในเรื่องละครละครต่างๆแสดงได้ทุกฉากเรียกว่าเอกเอกับมโคคุณมันเป็นเอกการฝึกตัวเองให้เป็นเอกกันหนึ่งเลยนะก็เนอตัวเราอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากการปฏิวัติวางทีมันคิดอยากจะกถามแล้วก็เทียน มันสงสัยมันไม่ปัญหาของข้อเทียนก็ไม่อยู่ไปโน่นไปนี่เราก็ปฏิบัติไปก่อนเถอะไม่ต้องถามเดินเฉยเรื่อยไปเดินจงกรมเรือยไปอะไรที่เราทำได้ทำไปสิ่งที่เราทำไม่ได้ก็ทำได้ในขณะที่เราทำถ้าสิ่งไหนเราทำไม่ได้เราไม่ทำมันก็ไม่มีโอกาสที่จะทำได้ ริ่งไหนเราทำไม่ได้จนจริงๆอยากจะถามหลวงพ่อเทียนเราทำต่อไปจเจริญสติต่อไปมันกลายเป็นตัวเฉลยไปในตัวคิดว่าจะถามหลวงพ่อเทียนก็ไม่ได้ถามตัวปฏิบัติมันเป็นตัวเฉลยให้ให้ทำอย่างนี้การปฏิบัติอย่าอ่อนแออย่าไปอาศัยใครจนเกินไปไม่มันรู้มันจบมันทุกข์ก่ตามอย่าเพิ่งไปหลงกับมันชั่งสติไปก่อน ประกอบกรรมไปก่อนอาศัยการกระทำคนถามเยอแยะเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมมันเป็นยังไงต้องมีผลเขาก็ว่าเขาเป็นกรรมแบบโน่นแบบนี้มา้ า, างก่อนคิดแตทำยางั้นหมอทำนายทายทัดนะเขก็อาศัยกรรมกรรมก็ผูกมัดเขาให้ทำอะไรไม่ได้พอทาดีนิดหน่อยก็กรรมมาตัดรอนกรรมบีบพลักรรม ตามทันเล้ก็อ่อนแอตรงนั้นบวกเปียกลงตรงนั้นเถ้ากรรมของการกระทำเนี่ยถ้ามันคิดเรื่องอะไหยุดมันสร้างเสตจขึ้นมาแต่วันทุกเรื่องอะมันเกิดอะไรขึ้นมามีสติเรื่อยไปให้มาสร้างกรรมใหม่คือกรรมดีเนี่ยเห็นหนองคุริมาณฆ่าคนเท่าไหร่พอมาทำกรรมดี พระาพธเจ้าบอกว่าเราหยุดเสียแล้วเหลือเธอยังไม่หยุดองค์เคยมันก็หยุดเลยหือหยุดทุกอย่างแม้หยุดแล้วมันก็ยังตามแต่ว่าอุกฤษฎาคมกรรมที่บีบพันจนเจ็บปวดเหมอือนกับคนเอาค้อนมาข่วงหัวร่างข้างแตกร้อ ง, ห, องห่มร้องไห้ทัทง้ทงทงที่ไม่เมรัยแต่ว่าความคิดที่มันเคยเคยเอาดาบไปตัดคอคนนอนตัดเนื้วคนนี้ มันก็ต้องแสดงนะการนั่นก็ยังสูวได้เราเ ไ, ไม่เคยไปฆ่าใครสักคนเล ย, ยเพียงแต่ความคิดงงๆแตง่แตงๆ ต, ตามจะหลีนี่ใสของตนเองเอาชนะเรื่องนี้เลยชนะกรรมเรียกว่าชนะกรรมกรรมที่เอาชนะได้เคยคิดเรื่องนั้นหยุดคิดเคยทําเรื่องนั้นหยุดทําเคยพูดเรื่องนั้นหยุดพูดน่มนก็ต้องอย่างนี้การปฏิบัติทำ แล้วมันก็ทำได้แล้วทำได้ให้มันสิ้นกรรมเช่นคำไปสา่ว่าโกรธให้โกรธครั้งเดียวอย่าไปโกรธอีกตัดกรรมเลยนะทุกข์ก็ทุกข์ครั้งเดียวอย่าไปทุกข์เรื่องเก่ามาคิดอีกไม่พรไม่เพี้นเรื่องเก่ามาคิดอี ก, ออกอาาคิดแล้วก็ทุกขนะ์ตัดกรรมไปแล้วตัดไปเลยอย่าไปเอามา่คิดนะอ่ะอะ อยาไปเอาเรื่องนั้นมาคิดคิดที่ใดมันเป็นทุกข์น่ยแค่นี้เราจะทำไปได้เลยจะเอาชนะอย่างนี้ไปได้เลยเรียกว่าตัดเวรตัดกรรมมันก็ต้องมีทุกคนนั่นแหละสองข้อนี้มาปฏิบัติธรรมเลยก็โอ้ก็ต้องตัดมากมากเลยไม่เปลี่ยนนะก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมน่ยไม่อะไรเยอะๆตัวเลยแม่ก็แต่ว่าบวชแม่ก็ห้าม โอ้ยถ้าเจ้าไปบวชแล้วแม่ก็ใส้เจ้าูนเดียวนี่แหล้วหกคนเจ็ดคนระวังทีได้ไหมชุดเนา ะ, ะระวังทีเดียวระว่าเงอย่าใช้ผัวนะจะซ้ำตา ย, ต, ย, กก ย, ยนะตัวไปโยกไก่ผัวไปไปโยมเลยนะสมัยก่อนเขาพูดออกไปแบบแบบคนมีปัญญาสักหน่อยเพราะปฏิบัติแล้วจึงไปบอกแม่ว่าจะก็จะ บ, บวช ลูกแม่เนี่ดคนนะ่ะให้ลูกของแม่เป็นพระสักคนจะไปได้เลยแม่อยอมลูกของแม่นี่ยเป็นพระสักคนยังไม่มีเลยขอให้ลูกแม่คน่เป็นพระสักคนเพืนน้องชายเนี่ยมันคือโง่พวนี้ไปปวดชือเมดปัญญาพอดเพืะนะ่อแล้วน้องชายนะพวกผมก็อายคนหน่เจ้าไปปวดท่นเยือเมดปัญญาพอด่อนะ่นโอ้ เขาคิดแบบนันมันก็ถูกของเขาแม่นโมพอเป็นอ่าก็ถูกของเขานี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทั้งโลกทั้งเมียทั้งงานทั้งการตัดตัดตัดตั ด, ตดเอาอย่างพระพุทธเจ้าเอาอย่างพระสาวกเอาอย่างคนความดีเอาอย่างพระเอาอย่างหลวงพ่อเทียนเห็นกรกับตาอ่าเอาแล้วหลายหลยนที่ปวดเจอด้วยกันเรานี่จะทำอะไรตัดไปตัดไปตัดไปปฏิบัติทำกยิง่งได้โอกาส พอเห็นแจ้งเห็นแจ้งในสิ่งที่เราคิดว่ามันยากพอไปทำจริงๆปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันไม่ยากเหมือนกับความคิดความคิดเมื่อเราไปทำมันอาจจะยากกว่าการคิดไปอีกบางอย่างนะความยากที่คิดว่ามันจะยากบางอย่างมันง่ายความยากที่คิดว่าจะยากบางอย่างก็ยากกว่าความคิดจมันี่ไปเพะาได้สู้ ได้สู้ได้ทํากับความยุ่งความยากมันเกิดขึ้นกับเราโอ้มันภูมิใจวันหนึ่งวันหนึ่งได้ลบกับอะไรได้ชนะกันอะไรได้แพ้อะไรการปฏิบัติธรรมนะไม่เหมือนกันต่มลุกคุกคานเห็นเพื่อนเขานั่งคุยกันโอ้เราลบกับศึกอยู่เต็มทีแล้วเราจะไปนั่งคุยกันเหมือนเพื่อนไม่ได้เพราะเรากำลังลบกันอยู่เหลือแต่ทพ่งงานเพ่งการไม่ได้เอากัน เรื่องการปฏิบัติธรรมมันเป็นงานเป็นการนั้นเหมือนกับเราเดินทางจริงๆเรายังไม่ถึงเราจะมัวนอนใต้ล่มหม้นอนเล่นเล่นอยู่ไม่ได้เหมือนกับเราเดินทางจากกรุงเทพหาดใหญมานี่ไหนว่า้นานเหลือเกินไปไม่ถึงมันก็ไม่ถึงเราชั่วชากหน่อยอุตส่าห์ชักหน่อ ย, ออยพักผ่อนตามการตามเวลาเพิ่มกําลังให้กับตัวเองเพื่อจะเพิ่มกําลัง บางทีเราสู้จนหมดกำลังก็ไม่นะเราก็เพิ่มกำลังเพิ่มกำลังของการปฏิบัติทำยังไงคิดถึงพระพุทธคุณคิดถึงธรรมคุณคิดถึงหลวงพ่อสงฆ์พระอริยะพระอริยสงฆ์ทั้งปวงคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงพระพุทธเจ้าที่ท่นทำอะไรสำเร็จนี่เพิ่มกำลังเอาเอาอย่างเอาอย่างคนอื่นเอาอย่างเขามาใส่ใจเรา เอาอย่างเราไปใส่ใจเขาไม่ใช่เอาเราคนเดียวไม่ใช่ตัวเราคนเดียวเราเก่งคนเดียวเราี่เล่คนเดียวไม่ใช่คนเก่งก็ไม่คนที่เล่ก็ไม่เราก็จะเอาอย่างทั้งหมดเลยคนที่เร็วที่สุดสูงคุริมาฆ่าคนเราไม่ได้ฆ่าคนสักคนเดียวเราคิดแบบนี้ก็เพราะนั้นเราจึง เพิ่มกำลังให้ตัวเองเป็นบางครัง้งบางโอกาสเป็นบางจังหวะแม่จะเจริญสติลุยลุยไปเนี่ยครับวันเมันก็หมดเรี่อวหมดแรงตายเป็นการปาราชัยแพ้ไปเลยตรงเหมือนกับพร ะ, ะ, ะอะไรพระรัฐบาลนะพระรัฐบาลเออพระโสดนะพระราโสดนะ โ, โกริวิตาเดินจงกรมจนเท่าแต่ เดินอย่างนั้นแหละเอาปลายเท่าเดินปลายเท่าก็แตกเอาส้นเดินส้นเท่าก็แตกเอาข้างเท่าเดินข้างเท่าก็แตกลอยเดินจงกรมจนเป็นเลือดแดงเป็นตลอดทางพระสงฆ์ทงพวงก็มอทักท้วงโอ้ยโสนา่าโอ้ยโสน่าปัญเดือดเลยไม่มีใครทำไมมั น, นโสน่าก็บ้าตัวเองเลยทำจนสุดฝีมือแล้วไม่ได้มันรู้ทำเลย ทิจจะกระสุดอิาจะกระสุดไม่ไม่ทีไรเราททำขนาดนี้แล้วกระงจงโงอยู่เลยว่ า, าละไม่มีทางเดินจงโกงของขอยไม่รอยเลือดเหมือนกับของพระโฉนะต น, น, า, นาก็น้อยใกตันวน้าน้อยใจทิจจะไปล่าชึดอ่าไปล่าจริงๆจะล่าพระพุทธเจ้าพอเวลาพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็แสดงทำให้ฟัง โซนาเนี่ยเป็นนักดนตรีดีทีนสีซสโซนาเอ้ยเธอนี่เป็นนักดนตรีใช่ไหมแโซนาก็ตอบว่าใช่ถ้าเธอดนตรีของเธอถ้าสายดนตรีของเธอมันตึงเกันไปมันจะเพาะไหมไม่เพาะถ้าย่อนเกินไปมันจะเพาะไหมมันก็ไม่เพาะขันใดก็ดีโซนาเอยอบางอย่างก็ต้องมีความพอดีเมัอนกัน แับเนือ้อแบบตัวไม้ทำสบายๆตัวหนาก็เปรียบเทีย บ, ยบโอ้ขณะนี้เราทำแบบไหนลุ่มลุ่มโดนโด น, ดนก็ไม่ดีเราก็แพ้ความการกระทาของตัวเองความขยันความไม่มีปัญญาความเพียนแบบขาดปัญญามันจะไม่ปัญญาปิดท้ายไปทุกอย่าง การสู้กับความทุกข์การสู้กับความง่วงเหงาห่อนอนการสู้กับทีเละตันหาความสู้กับความโรคความโกรธความหลงมันต้องมีปัญญาปิดท้ายอาศัยปัญญาบางทีอาศัยความเพียรได้บางทีอาศัยความหนักแน่นได้บางทีต้องอาศัยปัญญาเพราะั้นอาศัยสีหูจองอาเสียนใสอาศัยสีหูสุดท้ายก็ช่วยได้มีปัญญา ก็เลปรับตัวใหม่ก็ได้บรรลุธรรมเลยพระชนกโกริบิตะไว้อวดอ้างแต่ทรัพสมบัติของตนเฮ้ยเราทำความเพียรคงไม่เหมาะหรอกเราจะไปทำบุญทำทานเอา้าทรัพสมบัติเราไม่อดไม่อยากสร้างวัดสร้างว่าทำ บ, บุญทอดกระถิ่นพระป่าเงินเราไม่อดไม่อยากเอาทางนั้นดีกว่าคิดจะไปทางนั้นอวดทรัพสมบัติของตนพระพุเจ้าว่าไม่ใช่ ต้ อ, อาศัยความเปลี่ยนีนแร่ให้แต่พระอนนท์จังล่องให้เลยไม่ได้บรรลุดทำตามเขาพราะวชเทหลังเขาก็ได้บรรลุดทำพระอนนท์เป็นพุทธอุปถาเกีย่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจแสดงทำเที่ไหนจําได้ทั้งหมดจนได้ชื่อว่าเป็นพระหงส์ูตรไม่ได้บรรลุดทำไปล่องให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะที่พระพุทธองค์ทรงพระชนอยู่ เปน้อยใจเหมือนกันพระนนท์ทำไมไม่ได้บรรลุธรรมแต่รู้กว่าใครทั้งหมดถ้าใครอยากรู้พระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรที่ไหนเมื่ อ, อไหร่มีคนบรรลุธรรมยังไงมีคนไม่ได้บรรลุธรรมยังไงต้องไปถามอานนท์แต่อานอนท์ไม่ได้บรรลุธรรมโมติเลียนโมติจำจนว่ า, าวรพระพุทธเจ้าไปในผานไปตั้งเจดวัน อ่าเจ็ดเดือนเลยเจ็ดเดือนอะออนะเท่าไรอาจารย์น ะ, อะเอะเวันนี้ไปเจ็ดวันนี้ไ ป, นนไปกล่าวพ้นพามพวกสุภะปริภค ก, ก่าวโทษตเตียนพระมากระสปะได้ยินแล้วมาพระรบกับสงฆ์รมสังขยนา พ, าพระุเจ้าวรินริพานไปแล้วแต่นนยังได้บรรลุธรรมพระใช้หมู่บังคับ สภ <c oughs> ากาชปะเนี่ยจะต้องเอาพระสงฆ์มาทำสังฆทนาต้องพระเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดแต่ว่าขาดพระอนุนไม่ได้พระอนุนเนี่ยไม่เป็นพระอรหันต์เลยต้องเร่งให้พระอนุนปฏิบัติธรรมเมื่อนุนมาปฏิบัติธรรมเนี่ย <c oughs> ยังได้บรรลุเป็นพระอรหันต์การปฏิบัติธรรมของพระอนุนเนี่ยตามมรดธรรมก็พิเศษ ทีเสรตจยังไงพ่อเต็มอยากฟังวะเอะอนอโนนก็เพื่อนเล่งใช่ไหมพอเพื่อนเล่งก็ทำความเพียรบางทีมหาการศึกษก็ยังไงอนอนแล้วจะเอกสอวันจะทำสังยายแล้วเป็น ไ, ปได้หรืออนอนก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วคความรู้นะเดี๋ยวเอย้หอยลอยหน่อ ย, อ ย, อ ย, อยเล่ความเพียรเล่ความเพียร จนคืนวันหนึ่งไม่หลับไม่นอนมองหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมองเห็นมองเห็นแสงเงินแสงทองขึ้นท้องฟ้าอนอนไม่ได้นอนเลยโอ้โหวันนี้เรามาถึงคนนี้แล้วเนาะพ่อจะเอาให้เสร็จชั่วโมงนี้พ่อจะเอาให้เสร็จชั่วง้ไม่ได้เลยจนแสงเงินแสงเอาการกระทาเป็นใหญ่ให้มีการกระทาเป็นใหญ่ จะเอาความคิดจะเอาอันตร์พอเอ็นตัวลงหัวยังไม่ถึงที่เลยถึงว่าได้วรตถุธรรมเลย